ซึ่งถ้าหากว่าเรายัางแยกความรู้สึกตัวยังไม่ออกเนี่ยจิตเราก็จะปั่นป่วนไปกับเวทนาเหล่านั้นซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราจะต้องทนเอากรรมมาหน่อยนะใช้ขันติใช้ความอดทนใช้ความรักษาใช้ความเพียร น, นะ <c oughs> ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นทุกคนแหละแต่ว่าคนไหนที่มีความแยบคายมีความเอาใจใส่ศึกษาไปเรื่อยๆก็จะไวขึ้นนะ ในการที่จะเข้าใจสภาพธรรมแต่สําหรับคนที่แบบว่าพยายามเคยทําสมถะมา ก, ก่อนก็พยายามหลีเกเลี่ยงเก็บกดกบเกลื่อนหรือบังคับไม่ให้จิตไปรับรู้สิ่งนั้นอย่าให้จิตสงบอย่างเดียวไม่ได้ให้ไปรับรู้กับเวทนาต่างๆอย่างนี้ก็จะหนักหน่อยนะเพราะว่า <c oughs> ไปฝืนธรรมชาติธรรมชาติมันจะต้อง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไปกดเท้าไว้ไม่ให้เปลี่ยนแปลงธรรมชาติมันจะต้องแปรปรวนตลอดเวลากดบังคับไว้ให้ไม่ให้แปรปรวนไปกดบังคับมันซึ่งมันบว ก, กดบังคับไม่ได้เรียกว่เป็นการแตกดับเปลี่ยนแปลงแตกดับไปตลอดเวลาตัง <c oughs> นั้นเอง <c oughs> ในวันนี้ทั้งวันน่ยเราก็จะต่อสู้กับอย่างเนี้ยอารมณ์นะเพราะนั้นก็ศึกษาไปแล้วก็วันที่หนึ่งที่สองมันก็จะล้าเพราะว่าจิตใจมันถูก ดึงขึงพืชกันระหว่างความคิดความรู้สึกที่เป็นอดีตอนาคตพยายามจะดึงไปตามที่มันเคยไปแต่เราก็พยายามดึงกลับนะเป็นการชั ก, กะเยื่อกันระหว่างตัวความอยากและตัวความรู้สึกนะแต่ถ้าหากว่าใครที่พยายามทําความเข้าใจมันได้นะมันก็จะเกิดการผ่อนคลายได้ไวนะ เพราะว่ายัางไงความรู้สึกที่เป็นทางกายเนี่ยมันก็จะมีความไม่สบายแทบตลอดเวลาทีเดียวแต่ความรู้สึกทางใจก็รับช่วงถ้าหาว่าสติมาไม่ทันมันก็หลงเข้าไปยึดว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสบายไม่สบายเป็นชอบเป็นไม่ชอบไปตามความรู้สึกของอสัญชตาตญาณที่มันเคยรู้สึกนะเพราะฉะนั้นใน นวันนี้อากาศก็แปรปรวนหลายๆอย่างนะร่างกายรู้สึกได้ถึงความกดดันของอากาศที่แปรปรวนนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อน <c oughs> ซึ่งก็โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพนะก็มีความวิตกกังวลหลายอย่างนะแม้แต่กระแสะเรื่องยุงก็วิตกกังวลนะนะเรื่องกระแสะเรื่องอากาศ หลกนั้นหลกนี้เพราะฉะนั้นบวันจะยากขึ้นเรื่อยๆเพราะมันจะทําให้อุปทานเรื่องหวาดกลัวของเราเนี่ยมาสูงนั่นก็ใน <c oughs> อารมณ์เบื้องต้นเนี่ยให้แยกให้เห็ น, นว่าหนึ่งความรู้สึกตัวคืออะไร 2. ความรู้สึกกายเป็นความรู้สึกแบบไหน3ความรู้สึกใจระหว่างความรู้สึกตัวกับความรู้ ที่เป็นนามล้วนๆเนี่ยความรู้สึกตัวก็มีสองลักษณะหนึ่งความรู้สึกตัวที่เป็นรูปนามและความรู้สึกตัวที่เป็นนามล้วนๆนะแต่ความรู้สึกทางใจออกมาเป็นความรู้สึกอันนั้นอันนี้เขาเรียกว่านามวารูปความรู้สึกทางกายที่ออกมาเป็นเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงเขาเรียกว่าเวทนาจาภาษาเขานั้น ที่เราจิตของเราจะรับภาระก็คือความรู้สึกที่เป็นเวทนาเพราะว่าเราเคยบําบัดมันด้วยความอยากอของว่าถ้าเราไม่ชอบอันนี้เราก็ไปทำอันนั้นเสียไม่ชอบตรงนี้เราก็ไปตรงนั้นแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆหนีห น, นีที่เวทนาที่เราพยายามทําสิ่งอื่นที่จะไม่ยอมรับรู้กับมันแต่ณวันนี้เรามาปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยต้องเผชิญกับมัน ตอนเช้ามีคนถามปัญหาค้างอยู่สองปัญหาไม่แล้วพุกท่าบยังจำได้อยู่หรือเปล่าที่ยังไม่ได้ตอบใครถามให้ลืมไปแล้วเจ้าของปัญหายังไม่ลืมนะเอาถามใหม่เอเสียงอีกนิดหนึ่ง แต่ระหว่างความรู้เท่าทันแล้วเข้าใจมันเนี่ยอันนี้ไม่เป็นการเก็บกดนี่จะเป็นการสลายนะถ้าเก็บกดได้ไหมเขาว่าความรู้สึกนั้นยังค้างอยู่แต่ว่าเราเก็บมันไว้ซึ่งมันก็เป็นลักษณะของสมถะระดับหนึ่งคือใช้ขันติความอด ท, ทนแล้วก็ใช้ความอดกัน้นก็ถ้านานๆไปมันก็จะไม่ดีจิตของเราก็จะพกเอาความรุนแรงความโกรธเกลียดเคีดขุนที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ แต่ว่าในกรณีที่มันเป็นความรู้สึกรักรู้สึกชังรา้สึกชอบไม่ชอบแล้วเข้าไปเผชิญหน้ามาตรงๆจนกระทั่งความรู้สึกที่มันกาลังเป็นอยู่นั้นมันหายไปนี้เท่าว่าเป็นการสลายละเป็นการยาก็เป็นการถอนถอนมันโดยที่เข้าไปเผชิญกับมันเหมือนกับเราเห็นที่มืดเนี่ยเราจะเข้าไปในที่มืดแต่เรลาเอาแสงสว่างเข้าไปก่อนไปสลายตัวมืดก่อน มันก็จะไม่มันก็เป็นเราเรียกว่าเป็นมิติที่ตรงกันข้ามตัวรู้เนี่ยมันเหมือนแสงสว่างนะไอ้ตัวรู้สึกเขา อ, อาการของจิตของกายเนี่ยมันเหมือนตัวเงามืดแต่พอเอาตัวรู้สึกตัวเข้าไปฉายไปส่งมันก็สลายไปตัวนั้นแต่ในกรณีที่ว่าเราไม่ได้ใช้ตัวรู้เหมือนกับเราไปในที่มืดเราไม่ใช้ไปไปฉาย เราก็พยายามที่จะควมจะเดาจะนิหาซึ่งจะประสบความยุ่งยากเปน็นอันมากชั้นเดียวกันแล้วทางด้านใช้สมถะเมื่อเราค่อยเก็บค่อยกดคอยอดคอยกลั้นเอาแต่ใช้วิปสัสสนา ค, คือเผชิญแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันมันก็จะไม่เป็นภาวะที่การเก็บกดเข้าใจนะอีกคนหนึ่งยังจำปัญหาได้อยู่ใช่ไหมหรือลืมไปแล้วลืมสงสัยลืมไปแล้วนะก็ไม่เป็นไร เพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้าดับไปแล้วก็ลืมไปแล้วนะเพราะฉะนั้นอยากจะให้จํามันคอนเซ็ปต์ว่าความเกิดดับมันเป็นคอนเซ็ปต์หลักนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นก็ให้เกิดความสบายไม่สบายเนะี่ยก็คือการเกิดก็รับรู้มันเท่านั้นเองเพื่อรู้การเกิดแล้วมันหายไปก็รู้มันเออมันหายไปแล้วเดี๋ยวตัวใหม่เกิดมาใหม่ แล้วก็ตนก็หายไปสลับกันอยู่อย่างนี้ให้รู้เท่าทันลักษณะการรู้เท่าทันการเกิดการดับการแปลปูนเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เขาเรียกลู้กฎของไตรลักษ์มันก็จะเข้าสู่หลักของวิปัสสนาะวิปัสสนาเด็ดตรงดังนั้นเองในจุดนี้ก็จึงอยากจะใหะ้เป็นนักศึกษามากกว่าที่จะมาเอาว่าจะต้องได้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้แต่ให้ศึกษาดูแง่มุมต่างๆของความรู้สึกอย่างจริงจัง นะแต่ว่าไม่ใช่จริงๆนี่ไม่ได้หมายถึงเก็บกด บ, บังคับแต่เป็นการทําความเข้าใจนั่งนานทําไมมันจึงหนักนั่งนานทําไมมันจึงเบื่อเดินนานทําไ ม, มจึงคิดร่างกายมันจึงทําไมแปรปรวนเป็นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ดูดูอาการมันไปเรื่อยๆเนะีนะ่ยซึ่งมันก็มีให้เห็นตลอดเวลาส่วนเราก็คอยอปรับแก้ไปเรื่อยๆเท่าที่ทนได้ ลักษณะปรับแก้ไปเรื่อยๆนี้เราก็จะเริ่มไม่คือไม่ค่อยเริ่มรับได้กับความแปรปรวนอันนี้เริ่มรับได้เริ่มวางได้เริ่มนิ่งได้เริ่มเฉยได้ซึ่งถ้าหากเราอยู่ที่บ้านหรือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยเราก็จะวิ่งหาวิธีทางออกหลบเลี่ยงลกลบเกลื่อนแล้วก็ทําสิ่งอื่นแทนซะแทนที่จะไปชิญกำมือเดชตรง นั่นี่ข้อดีของการที่เรามาศึกษาทางด้านวิปัสนาคือเผชิญกับความจริงแม้ว่าดูมันจะไม่สุขนักแต่ว่ามันก็คือเราได้รับรู้ความจริงแล้ววันหนึ่งเราจะสามารถเข้าใจความจริงและปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายมันก็ไม่ใช่สุขแต่มันก็ไม่ใช่ทุกแต่มันเป็นความเข้าใจเป็นปัญญาเป็นแสงสว่างซึ่งแทนที่จะจะเร่าร้อนกระวนกระวาย ดินหลนกระสึกกระสนหนีมันไปเรื่อยๆอย่างที่แล้วมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําอย่างนั้นละ่ะเราเริ่มเห็นทางสู้เห็นทางออกนะเราก็พยายามทําความเข้าใจทางสายเนี้ยให้ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ อ, อ, อันนี้มันก็จะเกิดอะไรละ่ะเกิดประสบการณ์เกิดทักษะมากขึ้นวางใจได้ง่ายขึ้นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้มันเบือ่อมันเงามันเซง็งมันฟุง้งซ่าน อะไรต่างเนี่ยล้วก็รับรู้การมีอยู่ของมันนะเพราะอันนี้คือเป็นผลของสังขารนะซึ่งสังขารมันก็จะต้องเป็นลักษณะเงี้ยแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแตกดับมันไปตามกฎของมันถ้าผลของการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงแตกดับเขาเรียกว่าทุกขนะ์ซึ่งเราทนได้ยากอืแต่ถ้าหากว่าเราทนด้วยความเข้าใจทนด้วยความเห็นแจ้งมันก็ไม่ใช่เป็นภาวะเก็บกดหรืออดกลั้น แต่เป็นภาวะที่เป็นตัวรู้เป็นแสงสว่างที่เราสามารถอยู่กับทุกข์ได้โดยไม่ทุกขอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้โดยการไม่แปรปลนุนแล้วก็สามารถดูแลจิตใจของเราอยู่ในภาวะปกติได้แม้ว่าร่างกายนี่มันจะไม่ปกติมันเป็นไปตามกฎของแต่รักตลอดเวลาแต่เรารักษาระดับจิตใจของเราเราให้ปกติโดยการแยกโดยการแยกความรู้สึกตัวออกจากความรู้สึก กายลิสุกเวทนาเนี่ยออกมาเสอ่ามันก็เราเกี่ยวข้องด้วยไฟที่เรามีเครื่องมือนะเราเกี่ยวข้องด้วยไฟก็จริงแต่เราก็ไม่ร้อนนะเรากับเอาว่าเอาเอาความร้อนเอาแสงสว่างของไฟมาเป็นประโยชน์เราเกี่ยวข้องด้วยเวทนาไปเสมือนไฟแต่เราก็ไม่ได้ร้อนไปกับเวทนาที่มันปรากฏแต่เรากลับใช้แปลเปลี่ยน เวทนาตัวนี้ให้เป็นปัญญาเป็นแสงสว่างขึ้นมาได้อันนี้คือข้อดีของที่เราเรียนรู้วิปัสนาส่วนใครจะแปลเปลี่ยนได้มากน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความเอาใจใส่การสังเกตการไม่ปล่อยประละเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นนะดังนั้นก็ในช่วง3ามสหวันนะี่คิดว่าถ้าเราตั้งใจกันต่อเนื่องจริงๆมันก็เพียงพอ พอเราอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้มันก็เหมือนเราอยู่ที่บ้านที่บ้านเราได้ตอบสนองความอยากของเราตามต้องการทุกขเหมือนไม่มีความทุกข์มีปัญหาอะไรนะแต่พอมาทํางนี้ทําไมโอ้ดูสิมันทุกข์มันยุ่งยากมีปัญหาอะไรกันนัะกันหนามันจะเกิดบ่นขึ้นมาในใจแต่พอเรามาเข้าทํำความเข้าใจ อ, อีกทีนึงอ๋อนี่เป็นการสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญกับความจริงซึ่งจิตของเราวิ่งนี้ความจริงมาตลอด แต่ณนะวันนี้เรามาเผชิญกับความจริงที่มีที่มันเราอยู่กับมันทุกวันแต่ เ, เราไม่เคยเผชิญมันเลยเรามีแต่กลบเกลือ่อนบุดบังหลีเกลี้ยงวิ่งหนีแต่วันนี้ไม่เป็นเรารเผชิญมันซึ่งเราก็จะต้องหนักเป็นธรรมดานะก็คิดว่าสามารถเข้าใจได้ในการอย่างนี้นะนั้นจากช่วงนี้ไปก็หาอัปธาอัปธ า, าตามทันพุทธกิจส่วนตัว หรือว่าทางข้างล่างเขาเตรียมน้าปน้ไว้ก่อนมั้งก็ดูวถ้าเขาพร้อมแล้วก็รับเลยถ้าเขาไม่พร้อมก็ตอนกลับมาก็ได้ไเก็บดูนะตามบุติกเขาก็จะหลังจากที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็แวะรับน้ำปน้ไปเลยแต่ถ้าเขายังไม่พร้อมเราก็เอาไปเอาน้าถ้าเรากลับมาก็รับก็ได้นะไม่มีอะไรน่าสงสัยใช่ไหมวันนี้ผ่านไหมกี่เปอร์เซ็นคุณจรัญเห็นดินไปดินมานี่คุณวชิรินยิ่งดิ้นหนักแล้ว <laughs> วันแรกก็ดินมากหน่อยนะเดี๋ยวจะลองไปจะลองมามันก็เข้าที่เข้าทางของมันเองแหละน ะ, ะการเปไงบ้างวันนี้สว ย, ย, ยนนไหมเราข้่วงยังมีอยู่ใช่ไหม ม, มามอ่ามาเนียนขึ้นจริงถ้าเราเกะก็ขีขเข้เกียจปรับนี่นะถ้าเราขยันปรับหน่อยมันก็ไม่มาแล้วแต่ที่มันมาได้เพราะเราขีาเข้เกียจ เ, เกียรที่จะปรับมันนัะนะแล้วก็ไปกับมันบ้างธรรมด า, า ก, ก็รู้สึก ได้ง่วงสนอนก็มีเลี้ยวมีแรงอยนนะี <c oughs> ได้ตอบสนองมันหน่อยโอเคเนาะกาพาวของกัน <c oughs> <Okay, no? c oughs>